ส่วนคาถาที่23่สิบพระประเจกอีกองค์หนึ่งท่านบอกว่าพระราชาพระองค์หนึ่งในกรุงพา ร, ณราณสีขณะที่พระองค์กระทําประทักษิลพระนครอยู่ด้วยอนุภาพแห่งพระราชาอันยิ่งใหญ่พระองค์ก็เห็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยขนเข้าเปลือกเก่าเป็นต้นออกจากยุ้งฉางไว้ในภายนอกก็เลยตรัสถามอมัดว่าดูก่อนพนาญนี้อะไรกันคือเขาขนเข้าออกไปเนี่ยขนเข้าเก่าออกไปนี่มหมายความว่าอย่างไง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 ก็ถือพร้อมเป็นของวังหลวงเนี่ยนะทุกคนมีอาหารสมบูรณ์นะใช่ไหมถ้าจะเปลี่ยนข้าวเอางี้ดีกว่าไปสีแล้วก็สร้างโรงทานเลยอมาตผู้เป็นมิจฉาทิตฐิคนหนึ่งก็กราบทูลว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลไม่มีผลพระเจ้าข่าให้ทำไมมีประโยชน์ไม่ได้บุญกุศลอะไรหรอกเพราะอะไรเพราะทั้งพานทั้งมันดิตทั้งคนง่ทั้งคนฉลาดเล่นไปท่องเที่ยวไป ในที่สุดก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็เลยห้ามพระราชาพระองค์ไม่ต้องทําบุญหลอกพระเจ้าค่ะก็คือเหมือนอะไรพวกนี้มีความคิดว่าเหมือนกับใครเคยถักไหมพรมมั้งนะถักไปถักไ ป, ถ, กไปถักไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดหม้วนเองใช่ไหมพวกนี้ก็คิดแบบนั้นอนะ่ะเดี๋ยวใช้ไปใช้ไปอยู่สังสารวัฏนะัเวียนว่ายตายเกิดในที่สุดก็ปรินิพพานกันหมดจบสิ้นเนี่ยนะก็จบสินนน้นกะันหมดไปเรื่อนยะ ๆ, ๆ, buoy, ๆเดี๋ยวไปถึงสักวันหนึ่งก็จบเลยสมัยนี้เขาเชื่อกันเยอะนะ มันจะจบอะไรง่ายขนาดนั้นมันไม่จบด้วยมรรคมีองแปดไม่คิดจะเจริญมรรคมีองคแ8ดอะไรมาจบมไม่จบรอกแต่บางคนพวกกลุ่มเนี่ยกลุ่มลัตที่เหล่านี้บอกเวียนไหวตายเกิดในที่สุดผางสักวันหนึ่งจนได้ไม่มีมรรคองแปดเลยจะบรรลุอะไรได้ไม่มีมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนไม่ส่วนอมัดคนนี้ก็บอกไม่จําเป็นต้องให้ทานห้ามพระราชาพระราชาก็บอกว่าให้ทานเถอแม้ครั้งที่หนึ่งแ ม, แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สมถ้าพระองค์ก็ เห็นคนทั้งหลายยืแย่ยุ้งฉางแล้วก็ตรัสสั่งอย่างนั้นเหมือนกันก็คือมันเยอะแยะไปหมดเลยนะให้ทานเถอะอมาตตก็เจ้ามิชชั่ทิฏฐิห้ามพระองค์ถึงสามครั้งว่าการให้ทานเนี่ยคนห้องโง่บัญญัติเอาไว้คนฉลาดเป็นคนรับคนงโง่นะมนคิดอะไรไม่เป็นเนี่ยโอ้เสียเวลากว่าจะหามาได้ไปให้ทานฟรีไอ้คนรับไม่ได้ทําอะไรก็ช่วยเอาไปเลยอย่างเงี้ยมีประโยชน์อะไรพระเจ้าค่ะ พระองค์ก็เบื่อหน่ายว่าเราไม่ได้ให้แม้กระทั่งของตอนเองเรานี่เป็นพระราชาสั่งให้ทานไม่ได้อะโอ้ยนายเนยนา ย, นา ย, นายเต็มทีเลยใช่ไหมปกติเนี่ยหมายว่าใครเจ้าของกันแน่เนี่ยลูกน้องห้ามก็เจ้านายก็อยู่ปโยชน์นะนะก็เลยเรานี่จะมีประโยชน์อะไรกับสหายผู้ลาห ม, มกเห็นบาร น, นี้เบื่อนายเลยนะเขาเพื่อนเลวขนาดนี้มันคบไม่ได้แลว้วกันก็เลยสละราชสมบัติพนวดเลย พวันแล้วก็เจริญวิปัสนาทําให้แจ้งปัจเจกโพธิยานสแสดงว่าเรื่องเรื่องเพื่อนชั่วคนนั้นนี่มันประทับใจของท่านสุ ด, ส, ดสุดซึ้งเลยก็ว่ากันนะ่ยสุดซึ้งเนี่ยพื่ภาษาการพูดแต่สุดซึ้งแล้วว่ามองหูมันจัดสุดๆเลยนะมันสุดๆเลยแหละตําหนิจริงๆอ่ะนะสแสดงว่าถ้าพูดแบบค า, ารว่าก็เครียดกับคนนี้จริงๆเลยแหละก็เลยอุทานว่าปาปังสหายยังประวัชเยถาว่ากันอนัทธทัศสิงวิสมนิวิถัง สยังนะเสเวปะสุตังปรมัตตังเอโกเจเรคะวิสารนะกัปโตกุลบุตรพึงเวน้นสหายผู้ลามกสหายบาปนะป่าปังเนี่ยโดยนิยมแปลว่าลามกเท่พึงเวน้นสหายลามกสหายบาปซะไม่พึงเสพด้วยตนเองซึ่งสหายผู้ชี้บอกความชีพหายไม่ใช่ประโยชน์อย่าไปคบเลยนะไอ้คนที่ชีน้นําแต่ความชีพหายอยังไงนะผู้ตั้งอยู่ในกรรมอันไม่เสมอ ผู้คล่องอยู่เป็นผู้ประมาทผันเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรกฉะนั้นสหายผู้ลามกก็คือสหายผู้ประกอบด้วยมิจฉาทิฐินั่นเองเนี่ยนะผู้เขาบอกว่าอนัทธัตสีเพราะชี้บอกความชีพหายแม้แก่คนเหล่าอื่นคือตั้งอยู่ในกรรมอันไม่สม่ำเสมอเนี่ยนะตั้งอยู่ในความชั่วทางกายวาจาและใจกุลบุตรผู้ไข่ประโยชน์ตนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งพึงเว้นสายผู้ลาหมกนั้น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 วิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ทําไม่มีทําแล้วก็แล้วกันไปทําชั่วก็แล้วกันไปทําดีก็แล้วแล้วกันไปมันมีแต่แล้วไปแล้วไปไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเห็นไม่เห็นเหลืออะไรเลยดีชั่วที่ทําไปมันก็ไม่เห็นตอนนี้มันมีอะไรเหลือบ้างไม่มีเนี่ยนะอะไรพวกนี้ฟังแล้วปกตินะถ้าธาตุเดียวกันฟังแล้วเห็นด้วยเลยใช่ถ้าเออใช่ตอนนี้มันก็เห็นเหลืออะไรบุญทําก็ทําไปหมดแล้วสิ้นตังค์ไปแล้วเนี่ยนะถ้าเราคดโกงเราก็ได้ของมาแล้วนี่ก็ไม่เห็นมีเสียหายอะไร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 รุ่นเราอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่ารุ่นหลานเลนต่อไปนี่มาอ่านหนังสือกลุ่มงานวิจัยเราเนี่บอกเออใช่เลยนี่ไหมก็มีนะมีทุกอย่างนะสมัยนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกไหนเาวิจัยเาก็กลุ่มสถาบันหนึ่งก็ออกมาวิจัยว่าพระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนอยู่จริงในโลกเขาว่างกัน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 โหกสอเสียดพูดคำยาพูดเพ้อเจอ้ออภิชาพยาบาทมิฉาทิฐิในสังขารอันไม่เสมอผู้ตั้งอยู่คลองอยู่แอบอยู่เข้าถึงติดใจน้อมใจไปในเบญจากามคุณอันไม่สม่ำเสมอบุคคลที่ทุจริตด้วยกายวาจาใจล่วงอกุศลกรรมบทสิประการติดคลองในการมทั้งหลายผู้เหล่านี้เรียกว่าไม่เห็นประโยชน์ตั้งอยู่ในธรรมที่ไม่สม่ำเสมอ แล้วก็เป็นผู้ที่สแสวงหาสแสวงหาอะไรก็คือสแสวงหากรมถ้าเราได้พวกผู้สแสวงหากรมนี่ห่างได้ก็ดีเพราะว่ายากที่จะที่จะพ้นทุกข์อ่ะนะะบอกว่าผู้ใด ย, ย่อมสแสวงหาสอหาค้นหากรรมผู้ประพฤติอยู่ในกรรมมากๆอยู่ในกรรมหนักอยู่ในกรร ม, อมเ อ, มอ็นไปในกรรมอูนไปในกรรมอ่อนไปในกรรมน้อมใจในกรรมมุ่งกรรมเป็นใหญ่เรียกว่าผู้ขวนขวายในการม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 ก็ไม่ได้คิดเอาไปทํากุศลอะไรหรอกประพื่อหนักอยู่ในโพธาภามมากๆอยู่ในโพธาภะหนักอยู่ในโพธพภะเองไปในโพธพภะโอนไปในโพธาภะอ่อนไปในโพธาภะน้อมใจไปในโพธาภะมุ่งโพธาภะเป็นใหญ่ผู้นั้นก็ชื่อว่าผู้ขวนขวายในกายบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าเป็นคนที่ประมาทผลประมาทคืออะไรก็คือปล่อยจิตปล่อยจิตไปในกายยัตทุจริตเรียกว่าเปิดใจเต็มที่ในการทําความชั่วด้วยกายวาจาและ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 หรือว่าเราไม่ปรารถหรือว่าเราไม่ต้องการความสุขอนะนะเทว่าทอดอะไรในความสุขได้ก็ตามใจกันแล้วกันขอให้ตามทางคนเหล่านั้นนะขอให้เพิ่งประสบความสุขบ้างเป็นครั้งคราวอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วบุคคลที่คบคนผ่านทั้งหลายยากที่จะได้ประสบสุขอย่างที่ว่าเนี่ยนะในโลกนี้จริงๆแล้วผู้ที่สุขมากหรือ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 เชื่อแล้วล่ะถามทีก็คิดที